การการเจริญกุศลเนี่ยถ้าไปบอกไปทําแบบเรื่อยๆเอื่อยๆนี่จะกลายเป็นคนเรื่อยๆเอื่อยๆแล้วไม่กระตุ้นอะไรได้เลยอันนี้ต้องเป็นเรื่องหน้าห่วงมากเลยเป็นเรื่องหน้าห่วงแล้วเพราะการมารู้ธรรมไม่ใช่เรื่องเรื่อยๆไม่ใช่เรื่องเรื่อยๆไม่ใช่เรื่องเอื่อยๆหรือค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่เลยเป็นเรื่องการตั้งเป็นเรื่องการตั้งอัตฉยาศัยแล้วก็เป็นเรื่อง ให้สังเกตเวลาเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องของการวิจัยที่จะให้กุศลเกิดทั้งนั้นเลยถ้าเราเห็นดอกไม้วางอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ใช่มองว่าดอกไม้เสร็จแล้วก็จบกันไปแล้วไม่มีอะไรแล้วกลับไปก็ไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นต้องคิดหน้าคิดหลังอะไรเลยเนี่ยอันนี้ก็อันนี้ไม่ได้คิดแล้วไม่ได้วิจัยอะไรแล้วพุทธเจ้ไม่ได้สอนอย่างนี้เลยะไม่ได้สอนให้ให้เห็นอะไรก็เฉยๆมันดูเหมือนตรงเหมือนวางแค่เยน่ะ อย่างนี้อย่างนี้ยุ่งเลยอย่างเงี้ยตรงนี้กรณีอย่งการถ้าเราดูจากแคชชั่นคาสอนก็คือว่าเมื่อถอนรถในรูปเป็นต้นพร้อมทั้งรากคือสัตตระด้วยอริยมรก็ทําจิตสันดาลนี้เป็นเพียงตั้งเพราะรถในรูปนั้นเป็นต้นนั้นเคยเกิดขึ้นในการก่อนรถในรูปเป็นต้นเหล่านั้นทั้งหมดจึงเรียกว่ากระทาให้เป็นดุจดังเคยตั้งอยู่ก็หมายความบอกว่าอย่างนี้ทําให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนก็ทําให้เหมือนตาลยอดด้วนเพราะมัไม่เงยไม่ไม่งอกขึ้นเป็นธรรมดา เพราะกระแสของรูปรดกลิ่นเสียงเป็นต้นนี้คือราคาโทสะโมหะของพระ อ, องค์ไม่เกิดขึ้นตรงนี้ก็เหมือนกันนะเวลาเราเห็นสิ่งต่างๆนี้มันง่ายมากต่อกิเลสจะเกิดฉะนั้นพวกเราก็ใช้ทางกระปหารโดยการที่กําหนดทานกุศลศีลกุศลนี่แหละเป็นเป้าหมายถ้าทานกุศลก็คือจิตคิดจะให้จิตคิดจะบูชาอะไรอย่างเงี้ยกิเลสทั้งหลายที่จะอาศัยวัตถุเหล่านี้เป็นตัวกําเริบขึ้นมาในใจก็ถูกระงับด้วยทานกุศล แล้วก็สูงขึ้นไปหน่อยก็คือเมื่อคนสละทานได้สะดวกขึ้นมาเนี่ยศีลก็จะง่ายเมื่อการรู้จักที่จะให้ความปลอดภัยในชีวิตความปลอดภัยในทรัพย์สินความปลอดภัยในในในสามีและภรรยาการให้คำสัตว์คำจริงเป็นต้นเหล่านี้ก็จะออกมาง่ายมากเมื่อใจเราน้อมในด้านของทานไ อ, อตรงนี้าหากการปฏิบัติเป็นแบบนี้นะเออถ้าไปดูในชั้นของชาดกพอดีมา ลุจิกจะเป็นชาดกเล่มแรกนี่นะในชั้นของแรกๆกถ้าไปเปิดดูจะเห็นบอกว่าการบําเพ็ญทานเอ่ยศีลเอ่ยเนคําม่าเป็นต้นนั้นะเป็นภาวนาของโพธิทุกจําพวกไม่ว่าจะเป็นสัมมาสัมโพธิปเจกโพธิและสาวกาโพธิงั้นบุคคลปรารถนาจะบรรลุก็คือต้องเจริญทานทานเป็นจาคานุติเป็นทานภาวนาให้ได้ก็คือเอามาระลึกเอามาใคร่ครวรเอามาวิจัยให้ได้เป็นต้นนั่นเองอย่างนี้เป็นต้น ก็จะมองเห็นว่าโอ้นี่ไงการเจริญเนี่ยเป็นเรื่องของการวิจัยการคิดที่เป็นการปฏิบัติเลยเนี่ยนะถ้าหากทำเสร็จแล้วก็เฉยไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วนี่โอมยุ่งเลยอย่างเงี้ยทำงานทั้งโลกก็พังจริงไหมโยมบว่าพังเลยทำทั้งโลกก็พังจะงอกเงยไหมอ้าวให้ให้ยารดาไปสอนหนังสือ สอนหนึ่งคำก็นั่งหลับอยู่นั่นแหละแล้วยังไงนะนักเรียนก็โอ้โหนี่ไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมหรือไม่อย่างนั้นนักเรียนก็นั่งหลับอยู่อย่างงี้หมดทั้งโค้ดเลยไม่ได้ประโยชน์ทั้งค้ดมันเรื่องการคิดการวิจัยการทําความเข้าใจทั้งนั้นแหละไม่ใช่ามานั่งมึนๆเฉไม่ใช่การเจริญกุศลถ้าเป็นอย่างนั้นละยุ่งเลยใจ้มานั่งเฉยๆมึนๆแล้วบุญมันจะเกิดเองเนี้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่หรอเป็นเรื่องการ ความรู้ทําเหตุปัจจัยให้ถูกเรื่องการตามระลึกระลึกให้สังเกตดูในด้านของในด้านของสัพริสทาน5้าสัพริสตาน7จเออแปนะสังเกตดูนะหศรัทธาเชื่อมั่นกรรมและผลของกรรมต้องใช้คําว่าเชื่อมั่นกรรมและผลกรรมเลยนะให้ด้วยศรัทธาแล้วก็บอกด้วยนะให้ด้วยศรัทธาเนี่ยศรัทธาทานเนี่ยผลจะเป็นยังไงจะทำให้ทำให้กระแสของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยตาหัวจมูกลิ้นกายใจบริบูรณ์ ไม้บริบูรณ์ใครเห็นก็ศรัท ธ, ธาเริ่อสายบริษัทบริวารก็เยอะด้วยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแล้วก็ประการต่อมาสักการณทานให้ได้นอบน้อมเห็นไหมนอกจากคิดในด้านของให้ศรัทธาตั้งขึ้นนี่ยังไม่พอนะให้ฉันทาวิริยะจิตตปัญญาเกิดกระตุน้นทําให้เกิดความนอบน้อมด้วยนอบน้อมให้ด้วยความเคารพเพราะให้ด้วยความเคารพเบ็เสร็จอย่างเนี้นะถามว่ากายกรรมวจญกรรมมโนกรรมก็นอบน้อมแล้วก็นอบน้อมในเจตนาทานนี่ด้วย ใช่ไหมให้โดยนอบน้อมผลออกมาเป็นยังไงล่ะนอกจากจะบริบูรณ์ทั้งสีเสียงกินรสสัมผัสแล้วยังไม่พอบริษัทบริวารก็นอบน้อมเอาอกเข้าใจเงี้เห็นไหมผลมันจะตามมาอย่างเงี้ยหรือเป็นการละทานถ้าการละทานนี่เขาโหรายละเอียดเยอะเลยเหมาะแก่การเหมาะแก่การเวลาที่กําลังจะเดินทางจะไปหรือก็เริ่มตั้งแต่นู่นแหละปลูกข้าวมาก็เริ่มไข้ควนนี่เป็นการแกร่ฤดูข้าวแล้วนี่เป็นการแก่ผลไม้นี่เป็นการแก่พัด ต่างๆเนี่ยที่ถูกการถูกสมัยต่างๆเนี่ยปฐมวัยมาชีวมาวัยปัจฉิมวัยก็บริบูรณ์เนี่ยบริบูรณ์เห็นหเนี่ยหรือถ้าเป็นไปในกรณีของการที่บอกว่าอนุคณิตาทานก็คือให้โดยอนุข้อและตัดขาดถามว่าเออเกิดมาพออยู่กับซัพย์ก็เหมือนกับโยมกินการกได้มาสละออกได้ง่ายไม่เป็นแค่ปู่โสมเฝ้าซัพย์หรือไปทุกพทรัพย์มีปัญหาพทรัพย์ต้องเดือดร้อนปวดหัวพทซัพย์ ต้องมาเฝ้าซาับให้ใครก็ไม่รู้บางทีเกิดมาเพิ่มต้องมาเฝ้าซาับให้หลานให้ลูกเรื่ต่างๆก็ปวดหัวบริหารอยู่นั่นแหละแก้ปัญหาไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยอันนี้ให้ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ตัดขาดแต่บางคนก็ให้ด้วยนุค้อตัดขาดเขาเป็นเป็นเป็นเจ้านายของซพัพเขาใช้ได้เขาสะดวกสบายใช่ไหมเขาสะดวกสบายเขาใช้โดยไม่ต้องไม่ต้องลําบากใจเลยคือซัพมีมาก็ได้ใช้นั่นแหละใช่ไหม สุขเกิดแต่การมีทรัพย์สุขเกิดแต่การจ่ายทรัพย์บริโภคสุขเกิดแต่การไม่เป็นหนี้ใช่ไหม